ถ้าเรคิดอยู่ในลมกำหนดอยู่ในลมเส่งลมพิจารณลมตรวจจองอยู่ในลมวิโจารในลมไม่ได้คิดไปเรื่องอื่นน่นด้วยคิดพุโทพุทโทอย่างคิดไ่ได้ขึ้นไปเรื่องอื่นโอ้หเร็วแล้วเกินพุตโทนี่ลืมแล้วเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน่นคิดไปเรื่องนี้อุตชัจจ์ฟุ่งซ่านเดี๋ยวคิดไปเรื่องอดีตเดี๋ยวคิดไปเรื่องอนาคตเดี๋ยวคิดไปเรื่องคนน่นคนนี่บางทีก็คิดไปต่หันไปเรื่องรูบางทีก็คิดไปเรื่องเสียงบางทีก็คิดไปเรื่องกินบางทีก็คิดไปเรื่องรถบางทีก็ค ใจให้คิดอยู่อย่างเดียวอย่างเนี้ยก็ยังไม่ได้คิดพุทธโกพุทธโกพุทธเขออยังคิดไม่ได้หรือจะคิดอยู่ในลมกำหนดอยู่ในลมเพ่งอยู่ในลมให้แกเขาออกวิตุวิจารอยในลมก็ อ, อยู่ไม่ได้เพราะมันคิดไปเรื่องอื่นนั่นเนี่นั่นท่านบอกอุทธัจจะมันเป็นข่าสุดของสมาธิถ้าเห็นว่าอุธทธัจจะตัวนั้นเป็นของดีพอใจนน hacking, ในการคิดการ น, นึกการปรุงการแต่งอยู่อย่างนั้นเลยทีเดียวกำลังสมาธิก็ไม่แก่ก้าวแข็งแเพราะเห็นควาคิดอย่างนั้นอ่ะ ม, มันดีพอใจในการทําคิดเรื่อยนึกเรื่อยปรุงเรื่อยกันเรื่อยเอาแล้วกําลังสมาธิไม่่แกกา นี่ต้องให้เห็นตรงถ้าเห็นไม่ตรงทีไหนละไม่ได้เห็นนิวรณ์เป็นเป็นเครื่องอะไรเครื่องกังกั้นความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะอุดตันจะฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านไปหลายอย่างหลายประการแล้วทีนี้เอ้ยก็เลยทําลายความดีคือสมาธิไม่แก่ก้ไม่เข้มแข็งนี่ต้องเห็นโทษของมันอืว่าไม่แต่เพียงเท่านี้นะปัจจุบันนี้นะมันทําลายสมาธิของเราม้านะนับพบนับชาติไะไรได้ กำลัง <łam S 1> สมาธิไม่แจกระเฉี่ยแข็งนี่ยไม่สามารถบรรลุฌานหรือไม่เป็นบาคุวิปัสสนาไม่สามารถจะยั่งเข้าสู่โลกสารธรรมได้เพราะอะไรอุทธจจะตัวเนี่ยความคิดนี้เออจะคิดทําสมาธิคิดทําจิตใจตั้งมั่นเนี่ยความคิดเท่านี้แหละไม่มีกําลังมันคิดไปเรื่องอื่นนั่นคิดไปเรื่องข่าเรื่องไข่คิดไปเรื่องเล่นเรื่องกินคิดเรื่องเรื่องแอวเรื่องเที่ยวเออคิดไปเรื่องดูคิดไปเรื่องฟังอย่างเนี้อ่าค mm. ิดไปเรื่องดมคิดไปเรื่องรถรถมีที่ไหนรถลำรถอร่อยนี่ยน่ะ เออเราม่ที่ไดนเราอย่าปาปิ้งจินลาบไม่ที่ไดนโอ้คิดไปหานั่นแหะจะคิดทําสมาธิเออเอาแน่<ๆ>คิดไม่ได้นัน่นแหะมาคิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องโกลัพระ ส, สัมผัสถูกต้องทางกายเนี่ยคิดไปเรื่องธรรมอารมณ์เดี๋ยวก็นอนเนื่องเรื่ออดีตแล้วก็เรื่องเร่ อ, อนาคตเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องคนนนคนนี้นะจะคิดมากําหนดลมหายใจเขาออกอยู่เฉยแค่ปลายจมูกตัวเองเนี่ยคิดไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเราพิจารณารูา้ตรวจตาวดูให้ดีให้มันซึ่งให้มันเห็นถูกต้องตามตวโความเป็นจริง อ่าที่เราจะได้ปรับปรับความคิดของเราแม่ความคิดมีอยู่น่ะคิดให้มันถูกทางคิดให้เป็นบุญเป็นผู้สนคิดให้เป็นมั่งเป็นผลขึ้นคิดในอุบายจะทําจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อจะให้อกําลังมั่งของเราจะมีกําลังแก่กล้าเข็งแกรงมั่งคาทางดาเนินไปสู่ผลีผานคิดดําเนินถูกต้องตามทางแล้วที่นี้มันก็จะไปได้ถ้าคิดไม่ถูกก็ระนี้ยอ่าคิดไปเรื่องอื่นมันผิดผิดทางไปไม่ได้กางกั้นตัดรอนสมาธิ จิตใจไม่ตั้งมั่นเออเมื่อเพียงตั้งมั่นให้เป็นสมาธิในการกําหนดลมหรือกําหนดอารมณ์กรรมฐานอะไรหนึ่งก็ไม่ได้แล้วสิเขาที่ว่าอัตจิตจิตยิ่งนะจะมองอย่างไรจิตยิ่งกลัวอะไรละนิวรณ์สียได้เน่ยมันจะยิ่งกว่านิวรณ์ละความยินดีสีได้มันจงะยิ่งกว่าความยินดีละความยินรล่เสีได้มันจึงจะยิ่งกว่าความยินไล่เนี่ยละมันไม่ได้จะไปยิ่งกลัวอย่างไรก็มีนิวรณ์น่ยมันยิ่งกลัวมันทําลายสมาธิเทีทำลายคุณธรรมอันสูง เอออาิจิตอธิจิตจิตยิ่งจิตจริงตอนเนี้ท่านหมายถึงภูมิภาณาคาร์เนี่ยไม่คาอยู่ในความยินดีนไร่าีละมันจะได้เลิกละมันจะได้จิตใจหลุดพ้นท่านโยอธิจิตจิตจริงเนี่ยนี่ต้องมีความเห็นให้ต่องอุทธะมันเป็นอย่างไรกูอุทธะอุญยลำคาญมันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีคิดเป็นเรื่องต่างระย้าประกานเอาไปเอามาก็เกิดอุญยลำคาญขึ้นมาความอุยลำคาญทาได้แต่ทำจิตใจตั้งมันเป็นสมาธิทําไมได้ทําไมจิตไปอย่างนั้น บางทีเห็นว่าความเิ็นลำคันมันดีก็เลยทําอยู่เรื่อยไม่เห็นโทษของมันไม่ได้ถอนจิตใจเลุกละทอนเปลววางเนี่ยไม่นอกประเด็นการทําสมาธิไม่มีสมาธิแต่กล้าเขืมแข็งอันเป็นเครื่องละมันก็ละได้นี่นี่ฉันจะว่าต้องปรับปรุงความเห็นให้มันตรงนิวรณ์เป็นนิวรณ์นะสมาธิเป็นสมาธิความเห็นตรงนั่นคืออย่างไรอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นนิวรณ์นี่ดูความเห็นนะเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องแล้วพอไปจินโอดนิวรน์ีนเครื่องกั้นสมาธิ สมาธิไป่ตั้งมัน่นเพราะในวันนี้เออจาไปทำมันเลิกเอาทำสมาธิอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เท่งอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้นั่นนะ่ะสมาธิก็จะเป็นไปได้ทัานนี่มันก็เหลี่ยมกันเท่านี้แหละความเห็นตัวเนี้ยแต่ท่าของเท่านี้แหละเปนมาเส้นผมบางภูเขานะั่นก็เป้นผมบางภูเขาโดยมากที่ความเห็นเพื่อนเพเดิมของคนเรานะ่ะมักจะเห็นชั่วเป็นดีก็มันก็ได้ติดอยู่ในสิ่งนั้นนะ่ะอทำอยู่ในสิ่งนั้นนะ่ะกลับไม่ได้ไม่ได้พิจารณาเทียบกันว่าดีจริงๆริงคืออะไร ชั่วจริงๆคืออะไรทำไมจึงว่าชั่วมันเป็นดีมันชั่วอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรบ้างเนี่ยต้องมีปัญญาเนี่ยความเห็นตัวนี้ตั ว, ตวปัญญานะท่านจึงว่าทิ่อาทิตถุยจกกรรมการทำาุเห็นี้ตรงความเห็นตัวนี้เป็นปัญญาเออถ้ามันมีปัญญาล่ะยากมีวอนเนี่ยคนเราทําอยู่ทุกคนแต่ทําไมจึงเลิกละมันไม่ได้ทํามันทําได้นะแต่เลิกละมันไม่ได้บางทีอาจจะมีความเห็นไม่ตรงยังเห็นว่าเป็นของดีนั่นแหละยังไม่เห็นว่ามันชั่วมันไม่ดี อ่ามันไปเครื่องกางกันความต้านทานของจิตอย่างไรทําลายความดีอย่างไรบ้างนิวรณ์ไม่เพียงใจว่าทําลายสมาธินะน่ะมันทําลายมันโน่นนับัแต่ว่าทาเราจะสาวกับตันแต่ทานโน่นสินอ่าต่อมาต่อมาเนี่ยในระดับนี้สมาธิอีกอ่ า, อามองอีกต่อไปถ้ามันมีกําลังอยู่โอ้ยทําลายปัญญาอีกทําลายวิชาัยทําลา ย, ายมุตต์ท่านจะว่านิวรณ์เครื่องกางกันกางกันการทําความดี คนดีไม่มีกําลังแจ้ากล้าเข้มแข็งไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อนี่ท่านจึงว่าต้องมีความเห็นให้ตรงเพื่อจะได้สอนจิตใจมันเลิกละถอนไปลาวางเนี่ยอุทธาจารย์กับกุกขจาร์วุยธรรมขารเกิดขึ้นวิกิตรฉาก็เกิดลังเลสงสัยบางทีอาจจะลังเลสงสัยว่าโอ้โหบุญไม่มีบาปไม่มีอนในสมัยเนี่ยคนสําเร็จมรรคผลไม่มีเอพระเจ้าบริญนิพพานไปแล้วเออไม่มีใครได้สําเร็จมรรคผลเออเนี่ย สำเร็จ tamam. มรสเดชผลนั่นไม่มีทําไม่ได้แต่สําเร็จบาปเป็นผู้มากมายกระของก็ทําให้มันเป็นอย่างนั้นสำเร็จนิวรณ์โอ้มากมายทํานิวรณ์สาเร็จมากมายเอทํากรรมชันทันนิวรณ์ก็สําเร็จทําพยาบาทก็สําเร็จทําถีนันิชชาก็สําเร็จทำปุทธักกูกุจักก็สำเร็จทำวิกิกิจชาก็สําเร็จแต่ทำสมาธิไม่สาเร็จทำมรสผลไม่สําเร็จมันเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ทําจริงละมั้งคิดอะไรไปเมาเอาเลยอย่างนั้น เกิดวิกฤติฉาแหละลังเลสงสัยมองใจตัวเองไม่ออกสิ่นี้ก็เลยไปมองคนอื่นก็เลยทาไปหมดเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละคนเหมือนกัน <c oughs> เออเขามีนิวอรอย่างนี้คนนั้ น, น, นก็มีนิวรณอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละเขามื่อจิตใจบวตั้งมันอย่างนี้คนนั้นก็จิตใจบวตั้งมันอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละนีนนนเน่เป็นอย่างนั้นเออหมู่นั้นก็เหมือนกันหมู่นี้ก็เหมือนกันนี่ความเหตุของตัวเองมันผิดก็เลยไปเข้าใจคนอื่นผิดเหมือนตัวนั่นแหละ เนี่ยไม่มีคนเห็นถูกมีแต่คนเห็นผิดต่างนั้นเพราะเราเห็นผิดคนอื่นก็ต้องเห็นผิดไปด้วยเพราะเรามีนิวรณ์คนอื่นก็มีนิวรณ์ไปด้วยเพราะเราจิตใจไม่ตั้งมัน่นคนอื่นก็จิตใจไม่ตั้งมัน่นเพราะเราไม่ได้สําเร็จมาผลค น, คนอื่นก็ไม่ได้สำเร็จมาผลตัวจริงเข้าไม่อร่อยกัคนอื่นก็กินไม่อร่อยเหมือนเรานี่แหละนี่เป็นอย่างนั่นอไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นเลยก็แล่าเรื่องเออมันแล้วเรื่องอย่างนั้นอะไรแบบคุณเห็นอย่างนั้นอ่ะขนาดตัวเองก็ดูไม่ออกให้ไปดูคนอื่นมันยาก เออความเห็นของตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไขจะไปปรับปรุงแก้ไขจากคนอื่นอย่างเนี้เออคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาของเรานี่ยนะมันสําคัญผู้เห็นตนผู้เห็นธรรมนี่เออวิจิจริชามันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยเราจะแก้วิจิจริชาร์เราได้อย่างไรเนี่ยต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขวิจิจริชานี่คืออะไรความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในมักในผลเนี่ยก็เลยเกิดความเออเข้าใจว่าโอ้เดี๋ยวเนี่ยไม่มีคนในสปเป ด, ดปรากฏหรอกมัดมันไม่มีแล้วหรือเดี๋ยวเนี่ยผลไม่มีแล้วหรือ สินสมาธิปัญญาเนี่ยอันตรธานไปแล้วหรื อ, อยันเที่คนที่ไม่ได้สําเร็จมรคนก็คือคนไม่ทําถ้าไม่ทําไม่ปฏิบัติตามจริงๆเน่ะไม่ได้สําเร็จแน่เออไม่ว่าแต่สมัยเราเนะสมัยผู้ใหญเจ้าลองพิจารณาดูสิคนที่ไม่ทําตามมัะไม่ปฏิบัติตามสินสมาธิปัญญาได้สําเร็จมรคนมีคนไหนหยิบยว่าเป็นตัวอย่างดูสิไม่มีหรอกคนที่ท่านได้สํตตาเร็จมรคลก็เพราะทําปฏิบัติตาม อสิ speaking, sin, evolved, two, so fighting, right. ้นมีอย so ู threats, ่ท่านปฏิบัติตามสมาธิมีอยู่ท่านปฏิบัติตามปัญญามีอยู่ท่านปฏิบัติตามเนี่ยเมื่อพระท่านปฏิบัติตามที่เนี่ยทําตามท้าก็ได้สำเร็จมากข้นขึ้นนั่นในสมัยพุทธเจ้าคณะพุทธเจ้าสอนอยู่นั่นแหละเอออย่างเนี่ยอย่างสิพระพุทธเจ้าดูสิเทวทัศนั่นอ่ะทํำไมไปเอเวกีโน่นนั่นท่านบอกว่าทางไปไปไปปฏิพันธ์ก็คือสิ้นสมาธิปัญญาทําไมเทวทัศนจึงไม่ปฏิบัติตามสิ้นสมาธิปัญญาทำไมจึงไปปฏิพันธ์ไม่ได้ เพราะไปทำสิ่งที่ท่านสอนให้ละเอสิ่งที่ท่านสอนให้ทำยังไม่ทำมันเป็นอย่างเนี้ยไปทำสิ่งที่เป็นบาปท่านสอนให้ละบาปแต่ตัวเองไปทำเสียเนี่ยท่านสอนให้ทำเอามัดเอาผลตัวเป็นละเสียอไม่ทำเอามัดผลนั่นน่ะสินสมาธิปัญญาไม่ทำเอาวิชาญมุตไม่ทำเอามันก็ไปไม่ได้นี่แสดงเห็นว่าบุคคลกิเลสปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะขนณะพระองค์สอนดูทำให้ทำตามก็ไปเดยสำเร็จปัผลคนที่ทำตามได้สำเร็จมาผลดูดิฮะ ผู้ที่บวชพร้อมกันมีห้าคนเอออานนท์ภาคุกิมพิละเอออานนท์เออเทวทัตเนี่ยอนุรุทธะเนี่ยก็ท่านสี่องค์นั่นะบรรลุพระอรหันต์ได้แต่เทวทัตเนี่ยบรรลุไม่ได้เหตทางหมู่ลกอเวกีนู่นนี่ทางนั้นบาปอกุศลกรรมชั่วกรมรไม่ดีอย่าทำเนื้ออนันตริกรรมเนี่ย อนอันตรีกรรมโลหิตตุปาบาทสังฆเพศเออหุนทางไปในโรกอ่าเทวทัพมันโกรธท่านไร้ละความปวดละไม่ได้เนี่ยสิทขิา่าครูสิทธิทำลายครูเอาไปเอามาเลยทำชั่วที่ตัวทำมันกระยอนกับทำลายตัวเองเออตายก็ต้องพูดอเวิจิณะผู้ที่ทำตามคําสอนผู้ได้เจ้าดูสิท่านสี่องค์นั่นน่ะบาลีนิพานดับคันดับบาลีนิพานผู้ได้เจ้าไปพานิพานได้ท่านสอนหุ่นทางไปสู่พานิพานก่อจะแจกการดําเนินมาก บงเทีนมัตถถูกต้องแล้วไม่ไปไหนนี่นี่ให้เราพิจารณาตรวจตองตรวจตองดูอย่ามันเกิดวิจิตรวิชาลังเลสงสัยลังเลสงสัยอะไรศีลไม่มีหรือเดี๋ยวนี้ยจึงว่าคนสำเร็จมาผลไม่ได้สมาธิไม่มีหรือปัญญาไม่มีหรือวิชาไม่มีหรือวิมุตไม่มีหรือคําสอนอันนี้ยังไม่ไม่มีหรือเสื่อมสูญอันตรธานไปแลหรือไม่เป็นอาการดีโกท่านว่า อมีอยู่แล้วไม่ตั้งการเอาเวลาเลยสิ้นมีอยู่ทุกข้อดูสิเออมีอยู่ทุกข้อสิ้นอ่ะทำที่ไปอารมณ์ของสมาธิเนี่ะสี่สิบประการยังมีอยู่ทุกข้อไม่เสื่อมไปแม้แต่ข้อเดียวทำที่ไปอารมณ์ของอิปัสนาด้วยขันห้าอิปันาสิบสองท่าสิบแปดอินสียี่สิบสองอริ 4, รสัตถีปฏิเจริสุโมบาทเมื่อรวมลงมาแหลวอันนี้จังทุกข์อนัตตาทำมารยามประกาศความจริงกัทุกขณะเป็นอากาลิโกมีอยู่แล้วไม่ได้เสื่อมสิ้นศูนย์ไปเลย เออถ้าว่าทําปัญญาคือเห็นผุดขึ้นของจริงทั้งหลายเ่นี้จะปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นภายในดวงใจท่านบอกเป็นสันติโกเป็นอาการิโกนั่นเออเนี่ยไม่ต้องวิจิตรฉาเนี่ยวิจิตรฉาลังเลสงสัยตัวเนี้ยอ่ามันทําให้คนเรา น, ะนั่นแหะเออเสื่อมจากกาันทําความดีบางทีอาะลังเลสงสัยว่าบ่ไม่มีบุญไม่มีอ่าลังเลสงสัยว่ามผลไม่มีเสื่อมสิน้นศูนย์ไปแล้วเออไม่มีใครดอกเลยสาเร็จมรกคผลนาน ในตัวเองมองหามักขับผลก็ไม่เห็นตัวเองก็ไม่ได้สําเร็จมากผลก็มองคนอื่นเหมือนกันดูสินี่เพรไอ้โง่ของตัวตัวเราไปทาคนอื่นโง่อย่างเรานี่แหละเนี่ยคนฉลาดกว่าเราไม่มีเป็นอย่างนั้นเรากินข้าวไม่ล้ํากับคนอื่นกกินไม่ล้ําอย่างเรานี่แหละเรากินเปลือมันไม่เค็มคนอื่นก็กินเปลือไม่เค็มเหมือนเรานั่นแหละอย่างนี้แจ่หลักแข่งความจริงเปลือเนี้ใครกินจริงจริงมันต้องเค็มอาหารเนี่ยอ่ามันมีอยู่แล้วเออ มันมีอยู่แล้วตกแต่งไว้ดีแล้วเ อ, อถ้าเราเอกินแต่แค่มาปลาตอกจิ้มมันต้องมีอาหารที่อร่อยที่ล้านั่นแหะอารมณ์กรรมฐ า, านที่พุทธเจ้าทรงชี้เอาไว้เด้๋วสอนเอาไว้เดี๋ยวเราต้องเลือกเป็นถ้าว่าทําอย่างนี้ยังไม่ได้สําเร็จจิตใจยังไม่ตั้งมั่นเขาลองลองดูพิจารณาดูสิอารมณ์ของสมถาาะสี่สิบอย่างเอ้าทํ า, า อ, อ, อ, อ, ทอย่างนี้ดูจิตใจไม่ตั้งมั่นเอาละเอาทําอย่างนี้ดูทําอย่างนี้ไม่ตั้งมั่นเอาทําอย่างนี้ดู เปียนไปจนถึงสี่สิบอย่างเนี่ยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนอาหารตั้งสี่สิบอย่างจะไม่ล้าสักอย่างโง่หมดเครืองต้องตายแน่คนนั้นตายแนย่เป็นคนจะตายอยู่แล้ว อ, อ, อย่างนี้เนี่ยวิยกกิจฉาการลังเลสงสัยสงสัยในเรื่องมัดเรื่องผลสงสัยในเรื่องสมาธิอย่างเนี้ ท, ทําไมจึงต้องสงสัยในในสมาธิทำไมอารมณ์ของสมาธิก็มีอยู่อย่างรับกําหนดลงให้แใจเขาออกลงให้ใจเขาออกก็มีอยู่ทํำไมใจไม่ตั้งมัน่นต้องดู มีวอนทั้งหลายนะ ม, มีวอนตัวนี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องไปลังเลสงสัยหรอกเออถ้าหักเราดูมันออกแล้วสิเนี่ยเออไอ้นี้เองทําให้จิตใจไม่ตั้งมันม่นตามาจชชะนี่พยาบาทนี่ที น, นั่นมีดทอนนี่อุทธาจารนี่กูกูจานี่ อ, อืมถล้ออกเด็จจิตตั้งมั่นเลยจิตตั้งมั่นก็เป็นสมาธิก็นั่นแหละมั้งก็ทำเอามั้งทำให้จะไม่สําเร็จมั้งก็ทำเอาที่ไปได้สําเร็จมั้งก็เพราะไม่ทําไม่ทําก็ไม่ได้สำเร็จสิ สมัมผู้ไเจ้าของเรายังมีอยู่ท่านสอนอยังไม่ทำ ไ, ไม่ได้สำเร็จไม่อย่างพระเทวทัพเนี่ยนี่หรือพระโกกาลิกาหรือคนอื่นๆเนี่คนจะไม่ทําตามคําสอนผู้ไดเจ้าไม่ไม่มีทางนอกจากจะทําตามเท่านั้นแหละท่านสอนแล้วทาทําจนสุดความสามารถทําจนถึงขั้นเสียสละนนท์เอาชีวิตเขาแหละนะมกักกะสจักของจริงอยู่แล้วเนี่ย นเราพิจนารณาเนี่ยทาความเห็นให้มันตรงถูกต้องวันนี้วันตอนนั้นแหละเป็นเกลื่อนกั้นความตั้งมั่นของจิตไม่ว่าสมัยใดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เกิดมในโลกท่านสอนให้เลิกละให้น้อมจิตไปสู่ทำที่เป็นอารมณ์ของสมาธิให้ทําจริงมีวิตกวิจารณ์เป็นเป็นตัวเหตุวิตกนึกจะนึกถึงลมวิจารต้องอยู่ในลมเฮงอยู่ที่ลมเนี่ยจิตใจมันจะไม่รู้แน่น่งอยูนน่ที่ลมมันจะไปไหนมันต้องรู้มันต้องแน่นิ่งต้องตั้งมัน่นนี่ มันจิตใจมันตั้งมัน่นใดเนี่ยเอสมาธิมันจะไปไหนเนี่ยจิตใจตั้งมันน่นนั่นแหละคือสมาธิรู้แน่นิ่งมั่นคงอารมณ์เดียวนั่ น, น, นแหละคือสมาธิเมื่อสมาธิอันนี้มีแล้วทีเนี่ยมันก็จะเป็นบาดของอโลกุตตะสมาธิในระดับต่อไปหรือจะเป็นบาดของปัญญาพูดถึงว่าปัญญาของเราที่เกิดขึ้นทางตามันมีอยู่แล้วนะเกิดขึ้นทางตาอย่างไรตาของเราเนี่ยทุกคนเห็นเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนะี่ยใครไม่เห็นนะ่ะ ลองถามใครรู้ใครไม่เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเห็นกันทางนั้นไงแต่ว่าเห็นแล้วที่ี้เดีน้องมาพิจารณาตรวจตองไหมถ้าว่าน้องมาพิจารณาตรวจตองเฟ้นเออให้ปัญญาบัรเจากล้าเฉียเชียงให้ปัญญามาละเอียดเข้าไปอีกทีนี้นความเห็นจริงเห็นแจให้เห็ น, หนชัดมันกว่าจะมีขึ้นนอกจากว่าเห็นแล้ว่ะเห็นแล้วก็เห็นเพียงเท่านั้นก็เลยเลยเลยไปไม่ฝึกปัญญาต่อไปไม่ทําปัญญาต่อไปแล้วไม่เจริญต่อไม่ฝึกต่อไม่ทําต่อให้มันมีกําลังแก่กล้าแข็ง ถ้มันเห็นกิ่งแก่เนี่ยชัดช้ามันแทงตลอดแสดงของจริงไม่อยู่มานจึงไม่เห็นไม่เห็นตลอดอตานเห็นคนเกิดก็เห็นตานะ่ะแกก็เห็นเท่ามัอกรหลังห้างหลังกดหลังก้อมหนึ่งเหวหลังยานคนเจ็บก็เห็นบางคนเห็นเจ็บจนถึงตายแต่ได้น้อมเข้ามาไหมน้อมเข้ามาสอนตนไหมเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องแกะอย่างนี้เราจะต้องเจ็บอย่างนี้เราจะต้องตายอย่างนี้นี่ <side> คนตายมาถึงเข้านะ่ะคนนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรเราตายก็เหมือนกันนี่แหละ แม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ได้อะไรคนนั่นเขาตายแล้วเขาก็เอาร่างกายไปไม่ได้อบ้านเลินวัตถุเกของเงินทองเขาดูเขาเอาอะไรไปเอาวยังไปบ่นได้สักอย่างสมปรศโลกที่อยู่ในโลกนี้ทางนั้นนั่นอันนี้จังทุกข์ฆาตตาประกาศคมจริงอยู่แล้วเนี่ให้เห็นตรงเห็นถูกต้องคำพูเป็นจริงไหมเห็นว่าเป็นทุกข์ไหมเห็นวมันไม่เที่ยงไหมผันแปรเปลี่ยนแปลงไหมเห็นว่าเป็นธาตุป็น้าตาโดยประมาจิตไหมแต่ผมเห็นเป็นธาตุเป็นห้าตานี่ย อปัญญานะแต่ถ้าว่าปัญญาไม่แก้ก้าวเฉยที่มันไปเห็นแต่เพียงอัตตาเห็นเป็นตัวตเห็นเป็นเราเป็นเขาเนเห็นเป็นชายเป็นหญิงเนเห็นอยู่แค่นี้เอราไปเห็นว่าเป็นสุขเสียเห็นวเป็นของเที่ยงเสียเห็นว่าเป็นของสวยของงามเสียนั่นอันนี้ว่าความเห็นไม่ตรงต่อมาเห็นผิดท่านว่าอย่างเห็นผิดเห็นไม่ตรงเอความเห็นนั่นน่ะของวัตถุกุลไปเห็นว่าสวยงามนั่นน่ะของไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยง ทุกเกิดแจกเกตายก็เห็นว่าเป็นสุขร่างกายเนี่ยธาตุตีนั้นไปลงประชุมกันก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรานั่นกันไว้เห็นผิดเห็นผิดถ้ายังคิดอย่างนั้นแบบบรรลุมารผลไม่ได้ถ้าเธอเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่แล้วเนี่ยนันก็ต้องยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะไม่เห็นอรรถตาจะไปรักความยึดอย่างไรเธอเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าเป็นสุขก็ต้องยินดีเธอเป็นของเที่ยงก็ยินดีเห็นว่าสวยงามก็ยินดีนั่นน่ะมันก็ติดอยู่แค่นี้ะ ทีนี้การจะรักความยินดีจะได้ต้องเห็นอย่างไรนะต้องทํำกลมเห็นให้ถูกต้องตามกฎพิธีร่างการจะครอบปฏิคุณอย่า ง, งไรให้เห็นตรงต่อปฏิคุณดูสิเนี่ยเราพิจารณาหยิบยกขึ้นมาสัตย์ยัขึ้นมาเป็นเครื่องเทียบอย่างเนี้ยถ้าเห็นว่าปฏิคุณแล้วมันจะยินดีไหมอย่างเราเห็นขี้เห็นมันขี้ขี้มันเหม็นขี้ผู้ชายก็ตามขี้ผู้หญิงก็ตามแต่ขี้ออกมาเนี่ยเห็นว่าขี้เป็นของปฏิคุณมันเหม็นขี้มีนจะของจะทิ้งตรงนั้นแหละไม่มีใครจะเอาหรอก เออเอาไปขายเขาก็ไม่ซื้อจ้างให้เอ่อยเขาไมา่เอาเออจะเห็นขี้ว่ามันสวยมันงามไหมเขาให้เอามาโทจะเอาไหมให้ออกมาก่อนจะเอาไหมไม่นั่นแหละเพราะเห็นว่าขี้เป็นของปฏิกุลเป็นของจังหวัหน้าปีนเป็นของจี่หวัดคนทิ้งเออเป็นของจังวัดสังสมนี่ดแหละของปฏิกุลหลายอย่างหลายประการในขี้แต่เราจะพิจ า, ยยารณาแยกใครรู้เข้าก็มีได้ขี้นั่นแหละปลาก็มีไดขี้กุ้งก็มีไดขี้หอยก็มีได้ขี้นั่นแหละ อ่ะพักก็มีได้ขี้น้ำพรกก็มีได้ขี้น่ะปลาล่าก็มีด้ขี้น่ะน้ำปลาก็มีด้ขี้น่ะปิก็มีได้ขี้น่ะอ่ขนไม้อย่างนี้ก็มีใขี้นั่นแหละหน่อไม้ก็มีด้ขี้น่ะเห็ดก็มีได้ขี้นั่นแหละอาหารหวานก็มีดนขี้มันก็มีด้ขี้เห็ดก็มีดนขี้น่ะเค็มก็มีได้ขี้นาดก็มีด้ขี้เฟื่อนขืนขมซ้องมีในขี้น่ะอ่ลดลำบ่ลำมีด้ขี้นั่นแหละนั่นน่ะน่ะมันสั่งสมโลกคนอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเวลามันเป็นขี้เดวทีเนี้ยจะเอามาอย่างเต่ก่อนจะได้ไหม ไม่เป็นขี้ปฏิคุณหน้าเกียดหน้านายเอาทิ้งเท่านั้นแหละถ้าเป็นขี้ผู้หญิงเอาออกมาให้ผู้ชายเอาไหมมีใครเอาบ้างขี้ผู้ชายออกมาให้ผู้หญิงเอาไหมมีใครเอาบ้างจ้างอีกแฉมก่อนเถอะขี้ออกมาเอาเนี่ยผู้หญิงคนเดียสวยงามเหลือเกินขี้ออกมาเอาจะให้อีกหมื่นหนึ่งเอาไปนอนด้วยเอาไปโทรเอาไปนอนกอดแล้วเรื่อง นั่นแหละผู้ชายคนนั้นก็ดีผู้หญิงคนนี้ก็ดีเอาที่ออกมาบ่มันสุดเป็นงามจบดีเอาไปนอนนี่เอาไปกอดเอาไปอยู่ด้วยเอาไปเก็บไว้เอาไปใส่หีบใส่ขับไว้โอ้ยเลี่ยนเลี่นนี่แหละท่านว่าเมื่อเห็นของปฏิกูลแล้วทีนี่จิตใจมันจับไม่ยินดีมันจะเลิกละความยินดีนี่ท่านจะมาทำความเห็นติดตรงอยากไปเห็นกระเพียงว่าเออสวยเน็ตถึงมันสวยมันงามจบมันดีฉะนั้นผู้ได้เจ้าของเราจะไหนพิจารณาร่างกายทุกคไปขอปฏิคูนท่านใจพิจารณาปฏิคูนทําไม เพราะอะไรอย่างเนี้ย่ย ถ, ถ้าเห็นสวยงามอย่างเดียวทีเดเนี่ยมันก็มีความยินดีติดอยู่รักความยินดีไม่ได้ต้องเห็นปฏิกูลมันจึงจะเลิกรักความยินดีได้เหมือนเราเห็นขี้นั่นแหละคนเราเคยยินดีในขี้มีไหมให้เราพิจารณาอย่างเราเคยขี้มาแล้ว่ะขี้ออกมาข้างไหนก็ดีเราเรายินดีในขี้เราอนะ่ะมีไหมเห็นขี้คนอื่นเรายินดีอยากได้มีไหมไม่มีหรอกนั่นน่ะนี่จะมันเกลียดอ้ยนี่อันนี้หลักแข็งคมจริง นี่ฉะนั้นผนะู้ได้เจ้าเขาเราใจพิจารณาร่างกายโดยคนไปเขาปฏิคูลเออในอาการต่างๆของร่างกายเนี่ยท่านไม่ท่านไ ม, ม่ได้พิจารณาให้เห็นว่ามันสวยมันงามมันจบมันดีน่ารักน่าใครน่าพอใจเน้อน่าอยากได้เน้อน่าเอามานอนกอดเน้อเพื่อนไม่ได้ว่าอย่างนั้นเออให้เห็นของปฏิกูณ อ, อ, อาการคาวที่สองที่เราสวดกันนั้นแหล อ, อปฏิกูลด้วยที่ที่เกิดปฏิกูณโดยที่อยู่ปฏิคูณโดยการสังสมรคนกันปฏิกูณโดยการแปดเปื่อนปฏิกูณโดยการไหลเข้าไหลออก พปฏิกุลด้วยสีปฏิคุณด้วกินปฏิคุณด้วรถเลยน่ะปฏิคุณด้การไหลออกคืออะไรขี้ไหลออกมาเนี่ะเออเห็นไหมเคยเห็นขี้ไหมเคยเอามานอนด้วยไหมไม่นั่นแหละนี่ท่านว่าทำคมเห็นที่ตรงทำเห็นที่ตรงถ้าเห็นไม่ตรงอะไที่นี่เหอเห็นก็ซื้องามังเดิอยากนั่นเห็นผิดไปแล้วละอยากละยินดีไม่ได้จะหลุดพ้นไปได้อย่างไรเห็นก็ซื้องามาจบก็ดีเอก็ยึดมั่นซือมั่นนั่นของเราของเราเมียเราผัวเรานี่ ร่างกายของเรานี่นั่นแหะถือมันของเราของเรานั่นแหละถ้าไม่เห็นหตามความเป็นจริงของมันเราเป็นของปฏิกูลไม่เที่ยงไปทุกไปนอนาตาแล้วจะเลิกละความยึดมั่นถือมันเราเป็นอัตตาจนออกจากใจเป็นไปไม่ได้เพราะความเห็นไม่ตรงเห็นผิดเห็นผิดก็ปฏิบัติผิดละผิดรูปพ้นไม่ได้ดี๋ยท่านจะว่าบางเห็นใจอย่างเชี่ยมิจฉาทิฐิกัจฉะเห็นผิดปฏิบัติผิดบรรลุมรรคนไม่ได้ความเห็นผิดตรงนั้นมันเป็นมิจฉาทิฐิเดินทางผิด อืเนี่ยเรื่องความเห็นไม่ตรงในหลักอันนี้ท่านบอกทิศถูกชุกรรมการทำภพพิเศษตรงอต้องเห็นตรงถูกต้องตามหลักของธรรมะคําสอนพุทธเจ้าออันนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานต้องเห็นถูกต้องอันนี้เป็นสมถะต้องเห็นถูกต้องอะไรเป็นเลวิปัสสนาต้องเห็นถูกต้องถ้าเห็นไม่ถูกต้องก็เรียกมันเห็นผิดเห็นผิดจากหลักเห็นผิดจากอารมณ์ของสมถะแลวิปัสสนาเห็นผิดจากหลักของมัทธ อย่างเราจะชี้หลักของมันเห็นทุกข์กับทุขอย่างเนี้ยจะมีทางละได้ไหมเห็นทุกข์กับทุขเห็นเหตุกิดทุกข์เป็นเหตุกิดทุขนั่นนะครเห็นเหตุกิดเห็นเหตุกิดทุกข์เป็นเหตุกิดสุขมันก็จะต้องพอใจทําอย่างนั้นเนี่ยละมันไม่ได้เพราะอะไรเห็นผิดเห็นเหตุกิดทุกข์แท้ๆขอเห็นว่าเป็นเหตุกิดสุขนี่แหละคนเรามีความเห็นอยู่อย่างนี้จึงเลิกละปัญหาความอยากคนนี้ออกจากใจไม่ได้อ เพราะแต่หนาคมอยากอยากได้รูปก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เยอยากได้เสียงก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เยอยากได้กินก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เสีอยากได้รถต่างๆก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เยอยากได้ปวดตาผ้ต่างๆก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เยอยากได้ทำอารมณ์ต่างๆก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์สิ่งที่อยากนั่นก็วัตถุเป็นตงแห่งกองทุกข์รูปทำนำทเป็นกองทุกข์อ่งนั้นก่อจิตใจมันอยากได้ทุกข์ เห็นทุกขุกเห็นเหตุกระทุกเป็นเหตุกระทุกมันก็ปิดนิรลมองหานิรลที่ไหนเ่ก็ละตันหาไม่ได้ตันหามันปิดกันกาบังเสียแล้วอัดของนิรดกัจาโคเนี่ยสลักตันหาน่ะก็จะจิตใจสลัดตันหาไม่ได้ละตันหาไม่ได้ปล่อยตันหาไม่ได้วางตันหาไม่ได้มันจะเข้าถึงนิรลดนิพพานได้อย่างไรก็เข้าไม่ได้ถึงไม่ได้นี่มันก็ปิดกันกำบังอย่นี้ตันหาคมอยากมันปิดกันกะบังเมื่อตันหาคมอยากมันมีกำลังแจกระฉำแข็งต่อเป็นกรมตันหาอยากคมเกากเป็นเพราะว่า ไปลือกอดีตปลกอนาคตปลกปัจจุบันเมืเ่อรวมกันเป็นตันหาลอยแปกันแมตัหาถึงอยแปมันครอบงาไปดวงจิตดวงใจมืดมนจคหดปิดเลยนีโรดนิพานน่ะมืดคำที่ว่านิโรธมองไม่เห็นเลยมองไปเห็นได้ตันหาหน่มีแต่ตันหาแต่มองไปจะได้มีแต่ตัหาความอยากมันร้างอยู่เออนี่อ่ไม่เห็นนิโรธน่ยนี่ว่าเห็นผิดจากนิโรธทาไมยเห็นผิดจากนิโรธอย่างทีเนี้ยอต่อไปมันก็เห็นผิดจากมากเออ เห็นว่ามักไม่ดีน่ะเห็นไม่ตรงเห็นว่าการรักษาศีลไม่ดีเห็นว่าการทําสมาธิไม่ดีเห็นว่าการจิตปัชนาไม่ดีนั่นน่ะเห็นว่ามาเห็นอย่างนั้นไม่ดีแต่มันเห็นอย่างไรดีก็เห็นว่าการฆ่าสัตว์มันดีน่นเห็นว่าการฆ่าสัตว์ดีก็พอใจในการฆ่าสัตว์นั่นเห็นผิดแล้วเห็นว่าการรักย์ดีพอใจในการรักย์เห็นว่าการเสพกามดีพอใจในการเสพกามเห็นว่าการพูดปวดดีพาใจในการพูดปดเห็นว่าการจินเหล่าดีพอใจในการจินเล่าเห็นว่าการจินข่าแรงดีพอใจในการ้ เห่าการดูการฟังน่ะดีพอใจในการดูการฟังเพราะร้องขับร้องขับปรคมดนตรีดิเสียเป่าเห็นว่การประับประดาดีอ่าก็พอใจในการประับปดาเหื่การนอนเสืจะจะรู้สัมผสดีดีก็พอใจในการนอนเห็นว่าการเสด็จาเงนไหทองดีก็พอใจในการเสด็จหาเินเนหทองหรือที่ว่านี่องค์มักรู้ิอ่าองค์มักรึสัมมากมันโตอ่าสัมมาวจาสมากิโวถ้าเป็นมิจฉาที่มันก็เป็นมิจฉามักรึมิจฉากรรมันโตคืออย่างไรเห็ว่าการฆ่าตัดดีเห็นว่าการรักทรัพย์ดีเห็นว่การเสพการมดี เห็น่การพูดปวดดีเห็นการส่อพูดต่อเสียดดีเห็นการพูดคำหยาบดีเห็นาการพูดเผือเจอดีน่ะอ่าเห็นว่าการแสดงามในทางวิชาชีะน่ะดีอ่อย่างเนี้ยเห็นว่าการค้าขายเครื่องประหารมันดีเห็นว่าการค้าขายตะตาวุธมันดีเห็นว่าการค้าขายนำมอสมันดีเห็นว่าการค้าขายยาพิษมันดีเห็นว่าการค้าขายสัดเป็นให้เขาข่ามันดีขายได้เอยรวยมากๆมันดีนั่เห็นว่าการขอของต่อขลังขัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปราณาดี เห็นวาการทำการแลกเปลี่ยนเสื้อขายหากำไรมีประการต่างๆดีไม่ตรงต่ักของศินเห็นว่าการร่วมระเบิสินเปีนของดเีเห็นผิดถ้าว่าเห็นผิดจกมักปฏิบัติผิดนั่น อ, ะอ่ะเอออย่างข้อต้นเห็นว่าการค้าสัตว์เป็นดีแล้วที่นี่โอ้ยเราพอค้าการค่าสัตว์บอกให้ละล่าบ่ได้นั่นแหละเดินทางผิดเสแล้วเพราะเห็นผิด ทีนี้เมื่อเห็นผิดในเรื่องในหลักของศีลนี่ปฏิบัติผิดเนยเนี่ยเอามาก็เห็นผิดจากสมาธิปฏิบัติผิดศีลนิวรณ์ดีขอคอยในการทํานิวรณ์เนี่ยในระดับต่อไปเนี่ยก็เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นทุกขสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนนั่นมันก็ผิดไปเรื่อยเรื่อยเบื้องต้นผิดทำกลางผิดเบื้องปลายผิดเนี่ยมันจะไปได้อย่างไรเมื่อมรรคไม่ถูกต้องมรรคเป็นมิจฉามรรคจะแล้วเดินทางผิดปฏิบัติผิดเห็นผิด ทำสิ่งที่ผิดถือมั่นในสิ่งที่ผิดละไม่ได้เออละไม่ได้นั่นน่ะเดินทางผิดเนี่ยเราพิจารณาดูสิเห็นผิดจากมาั่เนี่ยความเห็นไม่ตรงเออเนี่ยเดินทางผิดไม่ว่าจะสมัยเราเดี๋ยสมัยผู้ไเจ้าของเราดูสิผู้ที่เดินทางผิดอย่างเราเหมือนกันนั่นแหละอาจจะผ่านค้นคำสอนผู้ได้เจ้ามานั่นแ่ะเพราะอะไรเนี่ยหลายร้านพระองค์แล้วผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้เพราะเราเห็นผิดนั่นแหละ เราเห็นผิดปฏิบัติผิดมาแล้วเราจึงต้องมาเกิดเนี่ยถ้าสมมุติไทยไปเกิดทุกข์ละเสียละเสียนละไม่ได้ตายก็อยากเกิดจึงมาเกิดในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นผิดนั่นแหละนี่มันจะตาแซเราเน่ะเราเห็นผิดเราต้องปรับปรุงความเห็นของเราให้ถูกต้องต้องเห็นทุกข์เปทุกข์เห็นเหตุกระทุกเป็นเหตุกระทุกเออถละกเหตุกระทุกคือตัณหาไม่ได้นิโรธนิพพานเข้าไม่ถึงต้องละต้องละเห็นมรรคเห็นสินเห็นสมาธิเห็นปัญญา เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยกันปฏิบัตินะอย่าไปเห็นตามแบบแผนตามลายอย่าเห็นตามคนอื่นต้องเห็นด้วยการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไหมในสินสินที่เราปฏิบัติอยู่เป็นศิลประเภทใดเป็นโลคีสิลหรือเป็นโลกุตระสินเห็นทําจ่เปรตลมของสมาธิไหมปฏิบัติสมาธิไหมทำที่ใจตั้งมั่นได้ไหมถ้าจิตใจตั้งมั่นแล้วปัญญาเครื่องเห็นถิงทุกแน่นะเจ็นทุกอย่างเนี้ยโอ้ยร่างกายทั้งก่อน เออมันก็เห็นลงได้เลยทุกเกิดก็มีในกายนี่ทุกแก่ก็มีในกายนี่ทุกเจ็บก็มีในกายนี่ทุกจน ต, ต, ต, ตายร่างกายนี่ออกอะไรไม่ได้ไม่ใช่ของเรานาะบอกไม่ได้แก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายไปทุกวันตายจากการเวลาวันคืนเดือนปีนาทีชัว่วโมงเบื้องปลายเนี่ยตายเข้าลงเข้าร่องเข้าไปเหวเข้ากองไฟไม่ได้อะไรสักอย่างในร่างกายเนี่ยของเราที่ไหนไม่ใช่ของเรานี่เห็นทุกเนื่องถึงอนัตตาไม่ใช่ตนของเราบอกไม่ได้ตายจริงๆเอาใจก็ไปทายไปนัตตาไม่ใช่ของเราเนาะ จะเพี้ยนไปของเรานะมันจะไปยึดถือเห็นใจเป็นเราเห็นกายเป็นเรานี่แหละมันจึงเรียกข้องกันนี่แหะติดกันอยู่เนี่ยมันเกิดอยู่ในกันเนี่เพราะอะไรเนี่เพราะเห็นเป็นตัวส่วนของเรานั่นถ้าว่าเป็นอนัตตาน่ะไม่ใช่เบางทีทุกแทแท้ก็ยังเห็นเป็นตนอยู่เอใจเนี่ยธาตู้มันเป็นธาตุบรรทัศน์เห็นว่าเป็นตนอยู่เทวเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาก็ยึดมั่นถือมั่นนั่นท่านที่ตั้งแห่งความยึดอุปาทานอตัวเห็อนัตตานะถ้าไม่ห็นอนัตตาก็จะละความยึดอย่างไร เขเห็นว่าเปอัตตาตัวตนมาติดทั้งสองฝั่งติดทั้งชั่วติดทั้งดีคนเราเคยทําชั่วมาแล้วติดชั่วยด้วยเพราะเห็นว่าตนทําชั่วทำเห็นอนัตตาจะเป็นรักอย่างไรอย่างคนเคยฆ่าสัตว์เนไหมเห็นว่าตนฆ่าสัตว์ติดเธออดีตน่นปะัจจุบันไม่ได้ฆ่าแต่ว่าตนมันฆ่า อ, อดีตเหมือนอย่างพระ อ, องคกุลิมานเน่ยเห็นว่าตนฆ่านี่ยถ้าตรวเครื่องได้เพราะอะไรต้องเห็นอนัตตาแก้ อ, อ, อนาตตาถ้าไม่แก้ออนาตตาไม่ไม่หลุด คำชั่วกว่าดีคมดีกว่าดีอแต่ว่าติดในกรคำดีท่านวัดก้อยยังแฟนกว่าคำชั่วก้อยยังชั่วกว่ากาคำคำชั่วน้อยกคำดีนั่นแ่ะแต่ว่าคำดีเนี่ยทําเพื่อลักคำชั่วนะต้องพิจารณาให้ดีคมเห็นเนี่ยเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อลักความเห็นผิดอเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมันละคมยิ้มมันถึงมันเสีได้ถ้าว่ายังเห็นผิดอยู่ก็ละไม่ได้เหรออย่างที่ท่านว่าอ่าเห็นอนัตตานั่นแหละทำไมเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมันก็ละผมยิ้มมันถึงมันไปอนัตตาตนเสียได้ ถเหาเป็นตัวเป็นตนอยู่เนวเป็นอัตตาอยู่